วันนี้เป็นวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลคือความสงบร่มเย็นเป็นสุขความแค้วคาดปลอดภัยจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงการแสดงธรรมณสถานที่แห่งนี้จะมีสามสิบนาที แรกแล้วหลังจากนั้นอีกส0สบนาทีก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมคือการเจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาในเบื้องต้นคือทำจิตใจให้สงบแล้วค่อยไปเจริญวิปัสสนาภาวนาให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะได้ใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆต่อไป สำหรับธรรมที่จะมาแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องปัญญาปัญญาคือความรู้ความฉลาดในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนวิธีของการดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้ มีไว้สำหรับดับความทุกข์ทางใจ mm. ไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะเอาไปทำมาหากินทางโลกแต่อย่างใดเป้าหมายหลักของธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ต้องการสอนให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์โดยเฉพาะความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวาัฏ mm. ต่อให้มีปัญญาที่สามารถหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆได้มากมายกายกองแต่ถ้าไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>เงินทองต่างๆนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาใช้ดับความทุกข์ได้ไม่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ปัญญาทางโลกนี้จึงไม่ใช่เป็นปัญญาทางธรรมปัญญาทางธรรมนี้เป็นปัญญาเพื่อเอามาใช้ในการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเอามาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้ก็มีแบ่งไว้สามระดับด้วยกันสามชนิดด้วยกัน ชนิดแรกหรือระดับแรกนี้เราเรียกว่าสุตตมัยปัญญาคือปัญญาที่ได้จากการเรียนรู้ได้ศึกษาก็ทมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นการฟังเทศฟังธรรมนี้หรือว่าการอ่านหนังสือธรรมะต่างๆที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก หรืออ่านหนังสือธรรมะของพระปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติชอบทั้งหลายที่เป็นพระอระหันตสาวกของพระพุทธเจ้า<ม>การได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมเหล่านี้เรียกว่าสุตะมยะปัญญา<ม>เป็นปัญญาขั้นเริ่มแรกขั้นเรียนรู้<ม>ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรม เราก็จะไม่รู้ว่าเราเกิดมาได้ยังไงเราเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรแล้วเราต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆในโลกนี้ได้อย่างไรแล้วเราจะทำไงกาจัดความทุกข์ต่างๆเวลาที่มันเกิดขึ้นมาในใจได้อย่างไรถ้าเราไม่เรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระ คำสั่งคำสอนของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงก็ดีเราก็จะไม่สามารถรู้วิธีของการดับความทุกข์ในใจของเราได้ดังนั้นเบื้องต้นเราต้องเรียนรู้ก่อนแน่นอนหนังสือธรรมะที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกเช่นพระสูตรต่างๆเช่นธรรมจากกัปปวัตตนสุขอันนั้น อนัตลักษณะสูตรอาทิตะปริยายาสูตรสติปัฏฐานสูตรหรือมงค ล, ลสูตรเป็นต้นถ้าเราศึกษาพระสูตรเหล่านี้เราก็จะได้ปัญญาเรียกว่าสูตรธรรมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการศึกษายาจากศึกษาด้วยการฟังธรรมก็ได้ศึกษาด้วยการอ่านหนังสือธรรมะก็ได้ อันนี้คือปัญญาขั้นแรกแต่ปัญญาขั้นแรกนี้เรายังไม่สามารถที่จะเอาไปดับความทุกข์ในใจได้เพราะว่าบางทีเราฟังธรรมแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมได้เช่นเรามาฟังธรรมวันนี้พอเรากลับไปบ้านเราก็มีเรื่องอื่นที่ต้องคิดต้องรู้เรื่องธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็อาจจะหายไปจากใจเราก็ได้ คืเราจะไม่จดจําจําไม่ได้งั้นเราจึงต้องอาศัยธรรมะขั้นปัญญาขั้นที่สองปัญญาขั้นที่สองนี่เรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราคิดบ่ยอยๆยุคคิดอยู่เรื่อยๆก็เหมือนกับการท่องสูตรคูณ ถ้าเราหมั่นท่องสูตรคูณอยู่เรื่อยๆสองคูนหนึ่งเป็นสองสองคูนสองเป็นสี่เป็นต้นถ้าเราหมั่นท่องอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวสูตรคูนนี้ก็จะติดอยู่ในใจของเรา<ม>ก็จะไม่หลงไม่ลืมฉันใดธรรมะที่พู้เจ้าทรงสอนให้เราเรียนรู้เราก็ต้องเอามาจดจำด้วยการพิจารณาอยู่นเนืองเือง เช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าร่างกายของพวกเรานะทั้งหลายนี่ม่เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาร <im it> ่วงพ้นจากความแก่ไปไม่ได้ร่วงพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ร่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้ ลงพ้นจากการพัดภาคจากกาันไปไม่ได้ น, นี่คือจินตามัยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาอยู่เนืองๆอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มันฝังอยู่ในใจเราให้ได้ให้เราอย่าลืมความแก่อย่าลืมความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าลืมความตายเพราะถ้าเราลืมนวะเราจะไม่เตรียมตัวเตรียมใจรับกับ เหตุการ์ต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่ลืมเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมวิธีปฏิบัติรับกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่เราแก่หรือในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในเวลาที่เราตายไปเราก็จะสามารถที่จะผ่านความทุกข์เหล่านี้ไปได้ความทุกข์ในใจจะไม่เกิดได้เลย ถ้าเราจดจำไว้ว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะต้องตายความทุกข์เกิดขึ้นจากการที่เราลืมไปว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันพอเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายเราก็ทุกข์กันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั่นเองความทุกข์ใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากในกรณีเรียกว่าวิภาวตัณหา อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายแต่เราก็เด็กเลี้ยงไม่ได้เพราะนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายของทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานี่คือปัญญาขั้นที่สองให้เราเอามาทบทวนความจริงของร่างกายคืออนิจจังเป็นของไม่เที่ยง เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาเพื่อให้ใจเราค่อยๆยอมรับความจริงอันนี้ให้ได้ mm hmm. ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทำใจได้ mm hmm. อยากทานคิดบ่อยๆ mm hmm. ก็เพราะว่าใจของเรานี้ยังไม่มีกำลังเพียง mm hmm. แต่มีความจดจาได้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกัน แต่เวลาเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายทีไร เ, เราก็จะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นเพราะว่าปัญญาขั้นที่สองนี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ของใจได้<ม>เป็นเพียงทำหน้าที่ให้เราจดจำไว้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้<ม>ก่อน<ม>แล้วไปทำ สร้างปัญญาระดับที่สามขึ้นมาที่จะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้อย่างเส้นเชิงปัญญาระดับที่สามเรียกว่าพัญญาระดับการปฏิบัติภาวนาจิตตภาวนาเรียกว่าภาวนาเมายปัญญาขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตตะเมย์ปัญญาการเรียนรู้ธรรมะจากพระสูตรต่างๆขั้นที่สองเรียกว่าจินตามาย์ปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาค่ายควรอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมใ ห, ลให้มันฝังอยู่ในใจตลอดเวลามองเห็นร่างกายเราหรือของใครทุกทีจะต้องคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาทันทีถึงแม้จะดับความทุกข์ไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องเตือนสติเครื่องเตือนใจว่าเรายังมีงานต้องทําอยู่งานก็คือทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ ในการที่เราจะสามารถทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายให้ได้เราต้องไปใยเจริญปัญญาขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนาไมยปัญญาภาวนาก็คือการบําเพ็ญจิตตภาวนานี่เอง mm. จิตตภาวนานี้เป็นการปฏิบัติ mm. ขั้นขั้นแรกขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเนี่ยเป็นการศึกษา mm. เป็นการเรียนรู้ mm. ธรรมะของพระเจ้านี้ต้องมีทั้งสองส่วนมารวมกันคือมีการศึกษาแล้วก็มีการปฏิบัติถึงจะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้ถ้าศึกษาเพียงอย่างเดียวยังจะไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ศึกษาแล้วต้องปฏิบัติเอาความรู้ที่ได้ไดศึกษามาไปปฏิบัติปฏิบัติจิตตภาวนา ถ้าเรามีจิตตภาวนาต่อไปเวลาที่เราเจอความแก่ความเจ็บความตายใจเราจะสามารถวางเฉยได้ใจเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ดังั้นเราต้องมาขั้นที่สามขั้นแรกเราศึกษาให้รู้ก่อนว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายนี่เองสาเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรก็จากความอยากต่างๆ เวลาไม่มีร่างกายก็อยากจะมีร่างกายเพราะว่ามีความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ต้องมีร่างกายพอมีร่างกายแล้วก็จะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้มันอยู่ไปนานๆแต่ก็ทําไม่ได้เพราะธรรมชาติของร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคน พอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์วิตกกังวลต่างๆขึ้นมา <N> เพราะว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้เจริญปัญญาขั้นที่สามนั้นเราต้องมาเจริญปัญญาขั้นที่สามกันถ้าเรายังทุกขกับความแก่ทุกขกับความเจ็บทุกกับความตายอยู่ทุกขกับการพัดพากจากกันอยู่แสดงว่าใจเรายังไม่มีกาลังที่จะวางเฉย คือหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายไม่ได้เราต้องมาเจริญปัญญาขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนาไมยปัญญาคือเราต้องบาเพ็ญจิตตภาวนาที่แบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกันสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือต้องทำใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อนเรียกว่าสมถะ ภ, ภาวนา คือการฝึกสมาธินี่ เ, เรียกว่าสมถะภาวนาสมาธิคือความนิ่งความสงบของใจถ้าเราสามารถทำให้ใจนิ่งให้สงบได้ใจเราจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายไปหาสิ่ ง, งต่างๆมาเสษเมื่อเราได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายเราก็จะได้ไม่ต้องอาศัยร่างกาย เป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับเราเมื่อเราไม่ต้องอาศัยความสุขเมื่อไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยให้แก่ได้ปล่อยให้เจ็บได้ปล่อยให้ตายได้เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเรามีเครื่องมือที่ดีกว่าก็คือสัมมาทิพวนาคือการทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมา เวลาใจมีสมาธิใจจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากความสุขของร่างกายแล้วมีอุบเบกขาคือสามารถวางเฉยได้ปล่อยวางร่างกายได้หยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่ตายได้ขั้นต้นเราจะต้องเจริญส ม, มถะภาวนาด้วยการเหมือนเจริญสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้เพราะความคิดนี้เป็นตัวที่ทาให้จิตไม่สงบ ถ้าเราหยุดความคิดได้จิตก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาเกิดเกิดการปล่อยวางขึ้นมาเกิดอุเบกขาขึ้นมาพอเรามีสมาธิมีอุเบกขาเวลาเราออกจากสมาธิมาเวลาเราไปเจอความทุกขเวลาเราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจอความตายหรือเจอการสูญเสีย พัดพากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆที่เราลักเราชอบเราก็จะวางใจให้เฉยได้เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากไม่พัดพากจากกันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเท่านั้นเองถ้าเราไม่อยากจะทุกขเราก็ต้องทําใจให้เฉยๆปล่อยวางปล่อยให้ร่างกายแก่ไป ปล่อยให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปปล่อยให้ร่างกายตายไปปล่อยให้การสูญเสียพัดพาาจากกันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าเราทำอะไรได้เราก็ทำเ mm hmm. ช่นถ้าเรารักษาร่างกายเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราหาหมอหายามารับประทานได้ก็ทำไปแต่มันจะต้องเจอวันหนึ่งที่หมอกัะยาก็ทำอะไรไม่ได้ เมืหมอกระยาช่วยร่างกายไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่ตายเพราะมันจะทําทให้ใจเราทุกข์ทรมานถ้าเรายอมปล่อยได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานนี่คือปัญญาขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนาไมยะปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนาที่แบ่งเป็นสองขั้นด้วยกัน กั้นแรกก็คือส ม, มะถะภาวนาทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิแล้วถ้าใจมีสมาธิใจนิ่งสงบเวลาออกจากสมาธิมาถึงแม้จะไปเจอความทุกข์ก็จะต้องใช้ปัญญามาช่วยสอนใจให้รู้ว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากอยากของใจเองเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นต้น เรา อ, อย่างไม่สูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปแต่เราก็อยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาว่าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเช่นลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมะในรูปแบบต่างๆล้วนเป็นของชั่วคราวให้ความสุขเราได้บางครั้งบางเวลา บางครั้งบางเวลาแทนที่จะให้ความสุขกับเราก็กลายเป็นความทุกข์ให้ความทุกข์กับเราได้เพราะสิ่งที่เราได้มาตอนที่เราได้มามันจเจริญเช่นได้เงินได้ทองมาได้ยศได้ตำแหน่งมาตอนนั้นเรากำลังจเจริญราบจเจริญยศอยู่ได้สรรเสริญได้เรูปเสียงจิรติรถที่เรารักเราชอบแต่วันใดวันหนึ่งมันอาจจะพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ เงินทองที่เราได้มาก็อาจจะหมดไปก็ได้ยศและตำแหน่งต่างๆที่เราได้มาก็อาจจะหมดไปก็ได้คําสรรเสริญเยือนยอก็จะอาจจะหายไปกลายเป็นคนํนานินทานินทานินทาว่าร้ายก็กได้ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความสุขกับเราก็อาจจะหมดไปก็ได้ เปลี่ยนไปเปลี่ยนกลายเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความทุกข์กับเราก็ได้อันนี้คือเรื่องของโลกที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าเราอยู่ในโลกของตายรักโลกของอนิจจังอนัตตาอ น, นิจจังก็คือเป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาสลับกันไป เป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นสุขอย่างเดียวได้เพราะมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไม่สามารถควบคุมดินฟ้าอากาศให้อากาศร้อนหรือให้อากาศหนาวหรือให้ฝนตก <S <S มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาช่วงนี้เราก็เข้าสูงก็ดูหนาวก่อนหน้านี้เราก็เจอฤดูฝนก่อนหน้านั้นเราก็เจอฤดูร้อน มันเป็นหน้าตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ลาบยศสารเสริญสุขนี้ก็เหมือนกันเราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้มันมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยและร่างกายของเราเราก็ควบคุมมันไม่ได้เหมือนกันร่างกายมันก็ไม่เที่ยงเมื่อมันทอดออกมาจากท้องแม่แล้วมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปตามลําดับโต ว, วันโตคืนจนอยากเด็กก็กลายเป็นผู้ใหญ่ ต่อไปก็จากผู้ใหญ่ก็กลายเป็นผู้สูงอายุต่อจากนั้นก็กลายเป็นผู้ชราผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและในที่สุดก็กลายเป็นผู้ตายไปอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาพิจารณาสอนใจอยู่เรื่อยๆให้เห็นความจริงของอนัตตาิจจาคือความไม่เที่ยงแท้แนะ่ของสิ่งต่างๆที่เรามีครอบครองไว้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติต่างๆ เราเป็นทารุรู้ที่เรียกว่าใจที่มาครอบครองร่างกายแล้ว <c oughs> ก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือพาให้เราไปหาสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ <c oughs> แต่เราก็จะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆ <c oughs> เพราะสิ่งที่เราหาบางครั้งมันไม่ได้ให้ความสุข อยากไ ด, ได้ของบางอย่างพอเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็เสียใจอพอเราได้สิ่งที่เราได้มาแล้วพอวันใดวันหนึ่งมันหายไปจากเราไปมันก็ทําให้เราเศร้าใจเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราเราเราไม่สามารถควบคุมบังคับ <c oughs> สั่งมันให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดเป็นของชั่วคราว ที่ทุกข์เพราะว่าเราอยากให้มันเป็นของถาวรได้อะไรมาแล้วก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่จากเราไปไม่เปลี่ยนไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ตามหลักความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราก็ต้อง ล่อยวางบ่อยให้มันไม่เที่ยงไปมันจะเจริญก็รู้ว่าจเจริญไปเวลามันจะเสื่อมก็รู้ว่ามันเสื่อมไป <c oughs> เวลามันจะเป็นอะไรเราก็ให้รู้เฉยๆการที่เราจะรู้เฉยๆได้เราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขคือเราต้องไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ผ่านทางร่างกายาต้องไม่หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากโูภเสียงกลิ่นรสต่างๆ เราต้องไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะสิ่งต่างๆแล้นร่างกายเหล่านี้เป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา <c oughs> ให้เราหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาได้สมถตาภาวนาแล้วเราก็จะได้รับความสงบได้ครับความสุขแบบชั่วคราวแต่เป็นความสุขที่เราสามารถ อาศัยแทนอาศัยร่างกายได้ถ้าเรามีความสุขจากสมาธิจากความสงบแล้วพอเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าเห็นเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เ<ม>พราะความไม่เที่ยงมันจึงทำให้เราทุกข์กับมันแ <c oughs> ม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นของไม่เที่ยงมันก็จะทาให้ใจเราทุกข์ได้ถ้าเราไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่าง มาให้ความสุขกับเราเราก็ปล่อยวางได้เราก็ปล่อยให้มันไม่เที่ยงได้มันจะเสริมก็ปล่อยมันเสริมได้มันจะเจ็บจะตายก็ปล่อยให้มันเจ็บมันตายได้เพราะเรามีความสุขจากสมมัถภาวนานีเ่เราสามารถอยู่กับความสุขของสมมัถภาวนานได้และเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ความสุขที่ได้ทางการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นความสุขชั่วคราวเป็นเหมือนควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปเราไปดูไปฟังอะไรไปกินไปดื่มอะไรเราก็ได้ความสุขจากการไปดูไปฟังไปกินไปดื่มแต่พอเราเลิกกลับมาบ้านสิ่งที่เราความสุขที่เราได้ที่เกิดจากการไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวนี้ก็หายไปหมดเราก็กลับมาอยู่กับความอ้างว้างเปล่าเปี่ยวเดียวด้ ก็เลยทาให้เราเกิดความอยากอยู่เรื่อยๆอยากจะไปหาความสุขอยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะเป็นความสุขแบบชั่วคราวทูเอาความสุขที่เราได้จากการบําเพ็ญส ม, มถะภาวนาดีกว่ามาฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งใจสงบแล้วเราก็เกิดความสุขขึ้นมาในใจของเรา ดีกว่าความสุขที่ได้จากร่างกายดีกว่าความสุขได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิจลรสพอเรามีความสุขในใจแล้วเราก็สามารถใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางได้ว่าความสุขทางร่างกายเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เพราะเป็น<ๆ>ความสุขชั่วคราวร่างกายที่เป็นเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือชั่วคราวต่อไปเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายจะตายนี่เราจะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้เลยแต่ถ้าเรามีความสุขภายในใจที่เกิดจากการทำใจให้สงบเราก็ยังสามารถมีความสุขได้ร่างกายจะแก่ขนาดไหนเราก็มีความสุขได้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนใจเราก็สงบใจเราก็มีความสุขได้ร่างกายตายใจเราก็มีความสุขได้เพราะเราได้ฝึกขัดได้เจริญ ภาวนามาย่ปัญญาเนี่งคือปัญญาขั้นที่สามด้วยการเจริญสมถะภาวนาเป็นขั้นที่หนึ่งแล้วตามด้วยการเจริญวิปัสนาภาวนาเป็นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งทำใจให้สงบให้มีความสุขก่อยขั้นที่สองใช้ปัญญ า, าวิปัสนาปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเ <c oughs> มื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะทําให้เราทุกข์ มันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราให้มันเที่ยงได้เราได้อะไรมาแล้วเราอยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆแต่มันก็ไม่อยู่กับเราไปนานๆไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไป <c oughs> ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาจากการภาวนามย้ปัญญาจากการบําเพ็ญส ม, มวิปัสสนภาวนาเห็นตายลักเห็นอนิจจังทุกขังในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้เราก็จะได้ หยุดความอยากได้หยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้หยุดความอยากไม่สูญเสียพลนดท่าจากลาบยศรเสริญสุขได้พอเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกําลังมันจะอยู่มันจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนมันจะเจริญหรือมันจะเสื่อมเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดพอเราสามารถมีความสุขภายในใจของเราได้ตลอดเวลา ี่แหละเรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาขั้นที่สามปัญญาเป็นขั้นที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ต้องเกิดจากการเจริญสมถะภาวนาละวิปัสสนาภาวนาเท่านั้นแต่เบื้องต้นก็ต้องอาศัยสูตรแต่มยปัญญาให้เรียนรู้ก่อนว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรและการจะละความทุกข์ของเราในใจนี้ละได้อย่างไร มืได้เรียนรู้แล้วก็เอามาทบทวนมาคอยสอนใจเตือนใจว่าเราต้องละความอยากเราต้องหยุด <c oughs> หยุดความอยากความความหาความสุขผ่านทางร่างกายด้วยการเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายมาหาความสุขจากการบําเพ็ญจิตตภาวนาพอเราจําได้แล้วเราก็นําเอาไปปฏิบัติเราก็จะ ลดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายลงไปลดการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญไปเอาเวลามาเพิ่มให้กับการหาความสุขจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาไปพอเราได้บำเพ็ญจิตตภาวนาไปเรื่อยๆความสุขในใจก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถปล่อยวางความสุขทางโลกได้มากขึ้นไปตามลาดับจนในที่สุดเราก็ไม่ต้องอาศัยความสุขทางโลกอีกต่อไป ควาสุขทั้งโลกจะเสื่อมนูจะเจริญเราก็ไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องของปัญญาทั้งสามชนิดที่เอามาฝากท่านในวันนี้ขอให้ท่านได้นํำมาไปพิจารณาเบื้องต้นถ้ายังไม่รู้ปัญญาทางธรรมเลยว่ามีอะไรก็ต้องศึกษาธรรมะคาสั่งคําสอนแล้เวเจริญสุตตามายปัญญาเมารู้แล้วก็เอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆมาพิจารณาอยู่เนืองๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเรียกว่าจินตามายาปัญญา เมื่อเราไม่ลืมนะเรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเราจะต้องไปปฏิบัติไปสร้างสมถ ภ, ภ, ภาวนาวิปัสนาภาวนาเราก็เอาเวลาไปเปลี่ยนเวลาจากการไปหาความสุขทางโลกมาหาความสุขทางธรรมแล้วเราก็เริ่มปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะมีความสุขทางใจมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถปล่อยวางความสุขทางโลกทางร่างกายได้ นี่คือเรื่องของปัญญาที่อามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้และในลำดับต่อไปนี้เราก็จะมาเจริญภาวนามายาปัญญาคือ ป, ปัญญาขั้นที่สามโดยเบื้องต้นเราจะต้องเจริญส ม, มถะภาวนาก่อนคือเราต้องทําใจให้นิ่งให้สงบให้มีความสุขก่อน เมื่อใจเรามีความสุขแล้วเราก็ไปสอนใจให้ปล่อยวางความสุขท้งโลกได้เพราะความสุขทางโลกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถควบคุมมันครับให้มันอยู่กับเราได้ตลอดนั่นเองแล้วต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันจเจรินสมถฏาภาวนาทาใจให้นิ่งให้สงบใจจะนิ่งใจจะสงบได้ต้องอาศัยการมีสติคอยลาลึกให้ลำลึกรู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน อารมณ์ที่จะกล่อมใจให้นิ่งให้สงบถ้าเราไม่นั่งถ้าเราไม่มีสติเราเลอกรู้อยู่กับกรรมาฐานใจก็จะคิดไปเรื่อยๆถ้าใจคิดไปเรื่อยๆใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบจะไม่เกิดความสุขขึ้นมาจะไม่เกิดผลจากการนั่งสมาธิแต่อย่างใดถ้าอยากจะให้เกิดผลให้เกิดความนิ่งเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดอุเบกขาจากการนั่งสมาธิเราต้องมีสติผูกใจ ให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานให้ระลึกรู้สติแปลว่ราระลึกรู้ให้รู้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเช่นคํา บ, บริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งให้เราเวลานั่งสมาธินี้ให้รู้อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ไปสนใจกับใครทั้งนั้นมีอะไรเข้ามาเราก็ไม่ไปนสนใจมีเสียงเข้ามาก็ไม่สนใจมี อาการคันตรงนี้คันตรงนี้ก็ไม่สนใจให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าทิ้งพุทธโธไป น, นั่นค่ะถ้าอยากจะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจเป็นหนึ่งให้ใจเป็นสมาธิบางท่านก็อาจจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้อันนี้ก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐาน อ, อย่างเรียกว่าอาณาปานาสติดูลมเข้าลมออกจะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะดูที่หน้าท้องก็ได้ ดูที่หน้าท้องก็จะเห็นว่ามันยุบมันพองบางเวลายุบก็เรียกยุบเนาะเวลาพองก็ว่าพองเนาะไปถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ดูเข้าดูออกไปที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องไปทำอะไรกับลมไม่ต้องไปบังคับให้มันหายใจสั้นหรือหายใจยาวให้ดูเฉยๆดูที่ปลายจมูกดูที่จุดที่ลมสัมผัสเข้าออกแล้วเดี๋ยวใจก็จะเนิ่งใจสงบได้ แต่สำหรับบางท่านเวลาจะนั่งเริ่มต้นนี้ใจยังคิดมากอยู่ยังฟุ้งอยู่ไม่สามารถดูลมได้ไม่สามารถบริกรรมพุโทโธได้ก็ให้ใช้บทสวดมนต์ไปก่อนใช้สวดมนต์ไปก่อนนั่งในท่าสมาธิหลับตาแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจสวดบทที่เราจําได้สวดหลายๆรอบสวดไปจนกว่าใจจะเย็นใ จ, จสบายหายฟุ้งซ่านแล้วเราค่อยมาดูลมต่อหรือมาบริกรรมพุโทโธต่อไป ทำอย่างนี้ไปให้อยู่กับพุโทโธดรืออยู่กับกรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องยืดเหนียวจิตใจยอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปสนใจกับอะไรที่เข้ามาปรากฏให้รับรู้ไม่ต้องพิจารณาอะไรทั้งสิน้นการนั่งสมาธิไม่ได้เป็นการพิจารณาไม่ได้เป็นการเจริญปัญญาเป็นการเจริญความนิ่งต้องหยุดความคิดใจถึงจะนิ่งได้ใจจะหยุดความคิดได้ต้องอยู่กับกรรมฐานใจจะต้องอยู่กับกรรมฐาน ยกับพุทโธหรืว อ, อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวถ้าต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันประมาณ25นาทีด้วยกันตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจาวิธีนั่งของวันนี้ไว้ ข้าต่อไปเวลามานั่งก็ใช้วิธีเดิมก็จะสงบได้เหมือนวันนี้อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้เพราะความอยากมันจะไม่ทำให้สงบแต่อย่างใดต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องเหมือนวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีกาลังน้อยก็หมัน่นเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งสมาธิเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวัน เก ต, ตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมตาขึ้นมาแล้วก็พุทโธพุทโธไปในใจไปเรื่อยๆทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นการนั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นมากขึ้นตามลำดับแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเิวาฮาปุราปาริโพเรนติสาคขลง เอวเมวอิโตทินังเปตาังอุปกปติอิชิตังปชิตังตุหังคิปเมววสมิจโตสพเปปุเรนโตสังตปาจันโทปนะรัสโยยถามเนโชติรัโยยถาสพิติโยวิวัจันโตสภารุโควินัสตุ มาเตภวะตวันตราโยสุขีธีกายุโกภวะอภิวาธนศีริสะนิจจังวุทธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคำตอบเพราะถ้ามาถามหลังจากที่เราเลิกกันแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุติ จากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ270ท่าน YouTube พระสุชาติ l i ฟ e 291 YouTube ดร V 52วิทยุออนไลน์10บคลับเฮาสานุติหนึร้ิรวมทั้งหมด782ท่านค่ะคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะกับเรียนถามเจ้าค่ะถ้าฟังเส ถ้าฟังเสียงเทศไปแล้วบริกรรมหดยน่นหดย่นพบชาติได้ไหมาเจ้าคะ่ะถ้าเราฟังธรรมล้วก็ไม่ควรจะทําอย่างอื่นให้มีสติอยู่การฟังธรรมเพียงอย่างเดียวถ้าไปทําอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวจะฟังแล้วจะไม่เข้าใจนั้นให้อยู่กับการฟังธรรมยังไม่ต้องบริกรรมอะไรทั้งนั้นคำถามจากทาง facebook ค่ะบางครั้งใจก็สุขบางครั้งใจก็ทุกข์แบบนี้มัก บาปมากกว่าบุญไหมครับเกิดเป็นปกติธรรมดาบุญกับบาปมันก็สู้กันคำถามจากทางเฟซบุกค่ะเคยนั่งแล้วเห็นหน้าตัวเองครึ่งหนึ่งเป็นโครงกระดูกเป็นอยู่สองสามครั้งก็หายไปไม่ทราบว่าคืออะไรและถ้าหากเป็นอีกควรทำอย่างไรครับก็นึกถึงมันบ่อยๆนึกพยายามนึกตลอดเวลา เห็นหน้าเราเห็นหน้าของใครกันนึกถึงโครงกระดูกที่อยู่ภายใต้ร่างกายเพื่อจะได้ไม่หลงไหล ว, ว่าร่างกายนี้สวยงามร่างกายนี้ก็คือหนังหุ้มห่อกระดูกดีๆนี่เชิญถามได้อยาจะถามว้ามรับการนมันสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ ถ้าเกิดว่าเราเจ อ, เอคนที่พาเราปฏิบัติผิดอยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะไปได้หลายๆที่แล้วก็ยังผิดอีกอันนี้เรามีกรรมหรือว่ามีสิ่งใดที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เจ้าคะไม่มีกรรมไม่มีอะไรหรอกมันเป็นการเจอกัน <c oughs> เป็นธรรมดาเราต้องเจอคนนั้นเจอคนนี้บ้างถ้าเรารู้ว่าเขาพาเราไปในทางที่ผิดเราก็อย่าไปคบกับเขาเท่านั้นเอง ไม่ไม่ไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นเหตุเพราะอะไรเราถึงมาเจอเขาความสำคัญก็คือเราจะปฏิบัติยังไงกับเขาให้ถูกต้องวิธี่ถูกต้องก็คือไม่ควรจะไปตามเขาถ้าเ็าพาเราไปในทางที่ผิดเราไปกับเขาเราก็ผิดด้วยฉั้นก็ไปคบกับคนที่พาเราไปในทางที่ถูกดีกว่าแค่นั้นเองเราสามารถเลือกคบคนได้พระเจ้าสอนในมงคลสูตร ให้เลือกคบคนฉลาดอย่าไปคบคนไม่ฉลาดถ้ารู้ว่าเขาไม่ฉลาดก็าพาเราไปในทางที่ผิดเราก็อย่าไปคบกับเขาแต่เราไม่ไปเกลียดเขาไม่ไปรังเกียจเขาเพียงแต่ว่าถ้าเขาชวนเราไปทําในทางที่ผิดเราก็ไม่ไปกับเขาขอบคุณเจ้าค่ะคํา <Okay. S 3> ถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ จุดมุ่งหมายของการภาวนาคืออะไรครับก็ควบคุมใจให้สงบไงให้ใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้อ่ถามได้กลับมาัศการนะคะขออนุ ญ, ญาตถามเรื่องของการแผ่เมตตาคะ่ะที่พระอาจารย์เคอยอแจ้งเรียนบอกว่าการแผ่เมตตาเนี่ยต้องแผ่ต่อหน้า ผู้ที่พบเห็นในเหตุการณ์นั้นๆถ้าสมมติว่ากรณีที่เราเจอคนที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบเราอะค่ะแล้วเราอะจะแผ่เมตตาเขานะเหตุการณ์นั้นยังไงอะคะพระอาจารย์ก็ยิ้มให้เขาก่อนเลยถ้ายิ้มแล้วเขาก็ไม่ตอบล่คะคะก็หาขนมให้เขาดูมสมมติเราหายแล้วอะเขาก็ไม่รับอะคะถ้าอย่างนี้ก็หยุดใช้มเมตใช้โอบเบขาแทนวางเฉยค่ะ เวลาทำแล้วเมื่อเขาไม่ตอบเราเราก็ไม่ตอบเลยอ่าแสดงว่าเขาไม่ต้องการเราก็ไม่ไปโกรธเขาก็แล้วกันอย่าไปเสียใจทำใจเป็นอุเบกขาวางเฉยไปว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วเมื่อทำแล้วเขาไม่รับก็ถือว่าไม่ใช่เป็นความผิดของเราแล้วถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราต้องต้องพูดแผ่เมตตาให้เขาได้ไหมคะก็ตั้งทายงสวัสดีจ้าสบายดีเหรอไม่ใช่ไม่นั่งสวดแผ่เมตตาไม่ต้อเทือนใจ เราเจอใครเราเชอบใครเราก็พูดคุยดีกับเขาใช่ไหมค่ะนั่นแหละก็ให้พูดคุยดีกับทุกคนทั้งคนที่เราชอบและไม่ชอบก็ตามอ๋อค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์กับนวัตการค่ะผู้อาวรโสขออนุญาตสอบถามเรื่องการปฏิบัติค่ะเวลาหนูฝึกอนัปปานาสติะค่ะ ก็มันจะอยู่กับลมหายใจแล้วก็ลมหายใจจะละเอียดขึ้นแล้วมันก็หายไปแล้วก็จะมีปิติสุขตามลํำดับประมาณนั้นคะ่ะแต่ว่ามีครั้งหนึ่งมันเหมือนจิตมันรวมลงไปะคะ่ะก็อยู่ในนั้นสักพักหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเป็นการหายใจแต่ละครั้งที่มันเหมือนมี มีปิติหรือสุขตลอดเวลาที่หายใจโดยที่เปิดตาใช้ชีวิตวะพระอาจารย์มันเหมือนมันเหมือนมีสติรู้ตลอดเวลาแบบที่หนูไม่เคยเป็นหนูไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมันเป็นการเป็นฌานหรือเปล่าค่ะรู้ว่าอะไรก็ เ, เป็นการมีสติถ้าเป็นฌานจริงๆต้องนั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วจิตสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งอะไรันี่ว่าฌานแต่ฌานมันมีหลายระดับตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ไป ฌานขั้นที่หนึ่งก็ยังมีความคิดอยู่คิดอยู่กับเรื่องลมหายใจเข้าออกแล้วต่อไปก็หยุดคิดเหลือแต่สุขเหลือแต่ปิติแลนั้นที่สุดก็เหลือแต่อุเบกขาทำไปให้มีสติหลังจากออกจากสมาธิมาก็รักษาสติไว้ต่อก็ให้ทำแบบนี้ต่ อ, อใช่ไใช่เวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็จะเริญนสติไปเรื่อยๆเวลามีเวลาว่างก็เข้าไปนั่งสมาธิใหม่นั่งให้มากๆนั่งให้บ่อยๆ แล้วใจจะมีความสุขจะมีพลังอยู่เฉยๆได้ไม่ทุกข์กับใครไม่ไม่เดือดร้อนกับใครค่ะค่ะขอบคุณค่ะคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะผมฝึกสมาธิจนบางครั้งมันไม่มีอะไรเลยสอบถามว่าทำถูกหรือผิดครับ ดีไม่มีอะไรเลยเวลาต่อไปก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงนินไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีใครอยู่กับความสงบได้คนที่มีความสุขแต่ความสงบแล้วไม่ต้องมีอะไรก็ได้เป้าหมายก็ให้อยู่อย่างนั้นถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปก็มาบวชได้เอาคนมาบวชก็ไม่มีอะไรนะนอกจากปจัจจัยสี่ที่อยู่อาศัย ย่ารักษาโรคอาหารบินทบาทเครื่องนุ่งหม่มเท่านั้นเองเนี่นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขกับการไม่มีอะไรเพราะมีอะไรเราเดี๋ยวจะต้องทุกกับสิ่งที่เรามีมีเงินก็ต้องทุกกับเรื่องเงินเวลาเงินมันหมดมีแฟนก็ต้องทุกกับแฟนมีลูกก็ต้องทุกกับลูกมีอะไรก็ต้องทุกกับทุกสิ่งทุกอย่างชู้ไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับการไม่มีอะไรนี่ดีที่สุด เป็นความสุขที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดอวัตตยาบอก ng, ung, นิบานังปลมังสุญยังนิพพานก็คือการไม่มีอะไรเลยว่างแต่การไม่มีอะไรเลยนีกลับทำให้ใจเกิดบร ม, มสุขนิบานังปรมังสุขขึ้นมาความสุขสุดยอดอยู่ที่การไม่มีอะไรมีแล้วทุกถ้าไม่มีแล้วจะไม่ทุกแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีคนที่ไปถึงนิพพานแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป เพราะกายมาเกิดก็ต้องมีร่างกายไ ม, ม่มีร่างกายก็ต้องทุกกับร่างกายเพราะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเรื่อยๆฉะนั้นคนที่ไม่มีอะไรเนี่ยอยู่กับความว่างได้เนี่ยเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดคำถามจากทางย u ทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะตอนนั่งภาวนา ใ, ใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโท แต่ตอนเจริญสติระหว่างวันใช้พุโทโธอย่างเดียวสลับกับดูกายได้ไหมครับได้การดูลมนี่จะยากถ้าเราไม่ได้นั่งถ้าเราเคลื่อนไหวนี่ดูกายดีกว่าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือบริกรรมพุโทโธไปถ้าดูลมนี่มันจะดูยากแล้วเวลาเราทํางานเราอาจจะทําผิดพลาดได้ถ้าเรามโ อ, อยู่แต่ดูลมอาจจะทําะไรงานที่ผิดพลาดได้ ให้เราดูงานที่เรากําลังทําอยู่ขณะที่นีนมีการเคลื่อนไหวต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีการเคลื่อนไหวนั่งเฉยๆแล้วตอนนั้นเราก็ค่อยดูลมหายใจมีคําถามตามมาข้างหลังกลาวนมัสการพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ช่วยอธิบายอาทิตยปริยสูตรให้หน่อย <laughs> ก็เป็นพระสูตรที่พระเจ้าแสดงให้กับพวก นักปฏิบัติหรือพวกนักบวชที่บูชาไฟอาทิตย์แปลว่าไฟพระอาทิตย์เนี่เขาคิดว่าไฟนี้เป็นของที่มีพลังมีศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะพาให้เขาุดพ้นจากความทุกข์ได้พระเจ้าทรงแสดงว่าไฟนี้มันไฟที่แท้จริงคืออะไรก็ไฟของความโลภความโกรธความหลงเวลาที่เราเห็นรูปเสียงกลิ่นแล้วก็เกิดใจร้อนขึ้นมา อันนั้นคือไฟไฟที่เผาผลผาญจิตใจต้องดับไฟตัวนี้อย่าไปบูชาธาตุไฟธาตุไฟไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ท่านเตืบนเชื่ ว, ว่าไฟที่แท้จริงที่ไฟที่เราต้องดับก็คือไฟที่อยู่ในใจเราเวลาเหตุอะไรเกิดความโลภขึ้นมาใจก็วูบร้อนขึ้นมาทันทีเวลาใครทำอะไรไม่พอใจก็โกรธขึ้นมาทันทีร้อนขึ้นมาทันที ท่านบอกว่าให้สังเกตดูเวลาเราเห็นรูปเสียงกลิ่นลดแล้วมันเป็นเหมือนไฟพอเห็นรูปเสียงกลิ่นลดแล้วมันจะทําให้เกิดไฟเกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเห็นเราต้องใช้ปัญญาใช้สติหยุดมันใช้ปัญญาอย่าไปเสพมันอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรดเสพแล้วมันจะทําให้ใจเราล้นใจเราทุกข์ขึ้นมาค่ ะ, คะข้อที่สองค่ะออ่อ เราเราพิจารณาสุภาพความไม่สวยไม่งามของร่างกายาซึ่งมีอาการสาสิบสองค่ะแต่ค่ะคืออันนั้นน่พิจารณาโอ้โอเคได้ค่ะแต่ว่าพอมาพิจารณาความแก่ไม่ยอมเลยมันเกิดจากอะไรเจ้าคะเพราะเรายังปฏิเสธมันอยู่กิเลสมันแรงตอนนี้มันไม่ชอบความแก่ก็ต้องพามันไปเที่ยวเยี่ยมคนแก่ตามบ้านคนชรา ด, ดูไปทํางานละจิตอาสาอยู่คนแก่บ้าง ไอเห็นคนแก่ทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ค่ะเวลาเห็นคนแก่โยมจะเดินหนีนี่เราต้องบังคับมันไม่ให้มันหนไีไปเป็นอาสาสมัครไปเป็นจิตอาสารับใช้บ้านคนชราดูไปอยู่กับคนชราทั้งวันวันหยุดไปขอสมัครว่ามีงานให้ช่วยทํำไหมล้างถ้วยล้างส้วมล้างอะไรทําความสะอาดให้คนแก่อาบน้ำอาบท่ า, า, า, าให้คนแก่ดูจะได้เห็นร่างกายของคนแก่ว่าเป็นยังไงแล้วก็ย้อนกลับคามาที่ร่างกายเรา ต่อไปร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะได้ไม่หลงไม่ห ไ, ไม่ไม่นหลงกับการที่จะรักษาร่างกายให้เป็นปังให้ฉีดยาฉิดนู่นนี่พอต่อไปฉียังไงมันก็มันก็เหี่ยวอยู่ดีก็สุดท้ายครับอาจารย์อถ้าเราจเจริญจิตสติค่ะเช่นยืนเดินนั่งนอนนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแต่เราชอบ ช่วงนี้นะคะชอบโครงกระดูกไปด้วยเวลาเดินเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ก็มองมองทุกคนให้เห็นเห็นแต่โครงกระดูกของเขาอย่างเดียวเห็นแต่โครงกระดูกเดินมาเห็นแต่โครงกระดูกนั่งเห็นแต่โครงกระดูกพูดคุยกันได้ก็มันมีจริงเพียงแต่เรามันมันถูกปิดบางด้วยหนังที่หุ้มห่อไว้เท่าน้เราได้เราดูโครงกระดูกไปก็มีในพระพุทธการมีคนวิ่งตามหาคนเรามาเจอพระอยู่รูปหนึ่ง ก็ถามพระว่าท่านเห็นคนนั้นเด้มาทั้งนี้ไหมท่านบอกเห็นแต่โครงกระดูกไม่เห็นคนเลยมีแต่โครงกระดูกโครงกระดูกอันนั้นมาโครงกระดูกอันนี้ไปไม่เห็นคนเลยเห็นแต่โครงกระดูกกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ ะ, ะเราจะได้ไม่คิดว่าร่างกายนี้สวยงามร่างกายนี้สงาา่าผ่าเผยที่แท้จริงมันก็แค่โครงกระดูกหุ้มด้วยหนังเทานั้นเอง คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าขัดใจบิดามารดาไปบวชจนท่านตรอมใจจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกพระพุทธเจากก้าก็ทําอย่างนี้เหมือนกันแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วก็กลับมาสอนพระราชบิดาจนพระราชบิดาบรรลุเป็นพระอาหารได้ถ้าไม่ไปไปบวชพระพุทธเจ้า ก, ก็จะไม่บรรลุธรรมไม่เป็นพ่อพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถมาสอนพ่อให้เป็นพระอาหารได้ งันถ้าเราไปทําความดีแล้วเขาตอมใจไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปทําความชั่วแล้วเขาตอมใจอย่างเงี้ยไม่ดีถ้าจะไปกินเหล้าเมายาไปเสพยาเสพติดนะทําให้พ่อแม่ตอมใจอย่างเงี้ยบาปบาปเพราะว่ามันทําให้เกิดโทษกับตัวเราเองด้วยเกิดโทษกับคนอื่นด้วยคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะเราควรใช้ธรรมมาเขาใดได้บ้าง ในการปกครองลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาครับก็ต้องใช้พระเดชและพระคุณด้วยแล้วแต่กรณีพระเดชก็คือต้องใช้กฎระเบียบถ้าเขาทาผิดกฎระเบียบก็ต้องใช้กฎระเบียบบอกเขาว่าทําอย่างนี้ผิดนะแต่จะให้ความเมตตาคือขั้นต้นนี้จะไม่ลงโทษจะให้ใบเหลืองก่อนว่ากล่าตักเตือนก่อนแต่ถ้าทําบ่อยๆเข้าก็อาจจะต้องให้ออกจากงานไปอย่างนี้เป็นต้น คืต้องมีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณถ้าพระคุณอย่างเดียวว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทาไปเลยทําไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แหลกเดี๋ยวก็พังแต่ถ้าเข้มข้นเกินไปบางทีคนเขาอาจจะผิดพลาดด้วยการไม่มีเจตนาทั้ ง, ง, งเผลอหรืออะไรแล้วเราไปลงโทษแบานี้คนก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเราหาให้เป็นหมดหาคนทํางานกับเราไม่ได้ดังนั้นเราจักใช้พระเดชพระคุณเป็นของคู่กันคู่บวกคงู่ ให้ทั้งความเมตตาและให้ทั้งความให้ให้ปัญญาคือพระพระเดช ก, ก็คือปัญญาความผิดถูกดีชั่วต้องบอกเขาทําอย่างนี้ผิดนะทำแล้วจะมีโทษตามมาอย่างนี้เรียปัญญาให้ปัญญาเขาแล้วก็ให้เมตตาเขาให้อภัยเขาเวลาที่เขาทาผิดพลาดโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเขาผิดก็ให้อภัยไปก่อนยกโทษไว้ก่อนแต่คาดโทษไว้ว่าตอนนี้รู้แล้วนะถ้ามาทําผิดซ้ำเด็กก็จะ ต้อ ง, งโทษนนนะเป็คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าจิตคิดปรามาพระขณะรรมาหากินโดยไม่เจตนาให้ขอขมาก่อนหรือไม่ครับถ้ายังไม่ขอขมาทรัพย์ที่ได้มาจะได้จะเป็นอัปมงคลหรือไม่ครับปรามาในช่วงไหนครับว่าในขณะที่ท ร, รมาหากินค่ะตัวเขาเองทำรรมาหากิน เขาไปปรามาได้ไงถ้าไปทํามาากินอยู่ไม่เข้าใจไม่ทราบคือการปรามาสใครไม่ดีใช่ไหมว่าจะเป็นพระเป็นใครก็ตามเปล่อยให้คนอื่นเขาดีช่วย <c oughs> เป็นเรื่องของเขาเราอยากไปยุ่งกับเขา <c oughs> ให้เรารู้เฉยๆก็พอถ้าเขาไม่ดีเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาแค่นี้แต่เราไม่ต้องไปปรามาสไปไปปนามเขาหรือไปอะไรเขาปล่อยเป็นเรื่องของเขาไป คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะเวลาทำงานใส่หมวกใส่รองเทา้าบริกรรมพุทโธได้ไหมครับคือการปฏิบัตินี้จะใส่อะไรไม่ใส่อะไรได้ทั้งนั้นน่ะแก้ผ้าก็ได้พุทโธไปแต่อยู่ในห้องน้ำอาบน้ำไปก็พุทโธไปคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ การทำบุญใส่บาตรที่ถูกวิธีควรอธิษฐานก่อนใส่หรือหลังใส่บาตรแล้วแผ่เมตตาคา่ะคือการอาธิษฐานนี่ในทางาศาสนาหมายถึงความตั้งใจตั้งจิตไว้ว่าตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรไม่ใช่ขอนู่นขอนี่ดังนั้น ني, เวลาก่อนใส่บาตรก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอใส่บาตรทุกวันถ้าเป็นไปได้นี่เรียกว่าตั้งตั้งเจตนาอาธิษฐานนี่คือการตั้งเจตนา ให้เราได้ทําอยู่เรื่อยๆวันนี้จะทำบุญเรื่อยๆใส่บาตรทุกวันหรือใส่บาตร ท, ท, ทุกวันพระหรืออะไรก็ตั้งเป้าไว้เพื่อที่เราถึงเวลาเราจะได้ทํามันได้ถ้าเราไม่ตั้งเป้ า, เร า, าเราอยากจะทําก็ทําไม่อยากไม่ทําก็ไม่ทําอย่างนี้มันก็จะไม่ได้ได้ทําเท่าที่ควรเหมือนแล้วนะยังไม่มีคําถามใหมค่ค่ะโอเคไม่มีก็ เ, เท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ ขอให้ท่านยงแนวมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคินิสพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ